ลำบากกับท่านสมณะมากทีเดียวไม่เป็นไรอาตมายินดีช่วยในสิ่งที่ช่วยได้ท่านพักผ่อนเถิด ปลายบาทมายืนอยู่หน้าประตูโรงทานแต่ชา้าก่อนใครๆทั้งหมดโอกาสดีจริงๆนที่ได้รับบินทบาทก่อนคนอื่นๆตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่เหนื่อยจริงๆรับแล้วกว่าจะฝ่าฝูงชนออกมาได้กินเวลาไม่ใช่น้อยออกมาได้ก็รีบกลับที่พักเทอาหารในสองพ่อลูกแล้วรีบกลับมายังโรงทานรับบินทบาทม้วนที่สอง แต่ว่าผู้คนแน่นขนาดเต็มไปหมดไม่สามารถจะฝ่าเข้าไปได้จึงได้แต่เดินวนเวียนอยู่นอกโรงทานจนกระทั่งโรงทานปิด อ้าวท่านไม่ได้บินธบาร์ดหรอกเหรอท่านสมณะบินธบารดไม่ได้เลยอุบาสกทําไมล่ะท่านสมณะคนมากเหลือเกินอาตมาไม่สามารถจะฝ่าฝูงชนเข้าไปได้ท่านสมณะท่านต้องอดอาหารถึงสองวันแล้วนะเพราะเราแท้แทออ้อยากก็นั้นเลยท่านสมณะวันนี้ ขอให้เราอิ่มก่อนเถอะพรุ่งนี้ขอให้ท่านอิ่มเราจะยอมอดเมื่อท่านบิณฑบาตมาได้แล้วท่านฉันซะเองเราจะผัดเปลี่ยนกันอดเช่นนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะหายแล้วข้าพเจ้าจะไปรับทานมาถวายท่านเอง รีดมารอรับบินธบาต ท, ที่หน้าโรงทานแต่เช้าตามเดิมเมื่อได้รับบินธบาตแล้วก็รีบนํามาให้สองพ่อลูกที่รออยู่เทเสร็จก็รีบกลับไปยังโรงทานอีกแต่ก็ไม่สามารถจะฝ่าฝูงชนก็ไปรับบินธบาตได้อีกตามเคยจีกต้องเดินวนเวียนอยู่นั่นเองท่านสมณะเรียกอาตมาเหรอถูกแล้ว ท่านกับเป็นเศรษฐีข อ, อนิมนต์ท่านขึ้นไปบนเคลเฮาดเชิญท่านโอ้ท่านสมณนะขออนิมนต์ท่านขึ้นนั่งบนอาสนะนั้น เป็นเวลานานทีเดียวที่ขปเจ้ามีโอกาสได้พบปะสนทนากับนักบวชยิ่งในยามที่บ้านเมืองตกอยรรู่ในภาวะกดอยากเช่นนี้ก็ยิ่งไม่มีนักบวชในศาสนาใดๆโผล่มาเลยท่านทราบไม่ว่าขปเจ้าเป็นคนสนใจปัญหาทางาศาสนามากอ้อหนิ ม, มนท่านฉันให้เต็มที่สักก่อนรู้สึกว่าท่านจะหิวมากเป็นพิเศษเหตุใดจึงว่าอาตมาหิวมากเป็นพิเศษ เพราะข้าพเจ้าสังเกตเห็นท่านมารับบินธบาติที่น่าโรงทานวันละตั้งสองรอบแต่น่าเห็นใจท่านมากที่ไม่สามารถฝ่าผู้คนเข้าไปรับบินธบาติในรอบที่สองได้ข้าพเจ้าได้สืบถามคนแจกทานแล้วเขาบอกว่าตามที่เขาใส่บาตรให้ท่านในรอบแรกมากพอที่จะอิ่มน้ำสตราสําหรับคนเดียวเออท่านสมณะท่านเคยได้ยินคําที่กล่าวว่า เป็นคราวาสอ้วนจึงจะดูงามเป็นรูสีผอมจึงจะดูงามหรือไม่เคยได้ยินอุบาสกท่านเข้าใจความหมายของคำที่กล่าวนั้นหรือไม่เข้าใจอุบาสกเป็นยังไงเข้าใจยังไงท่านสมณะหมายความว่าเป็นคฤหัสถ์ต้องร่ำรวยมีทรัพสมบัติค่าท่าปริวารมากๆจึงจะดูงามเป็นนักบวชจะต้องไม่มีความโลภในทรัพย์ มีแต่ความสันโดษมากน้อยจึงจะดูงามท่านเข้าใจถูกต้องทีเดียวท่านสมณะแสดงว่าท่านมีความรู้ในหลักปฏิบัติของสมณะเป็นอย่างดีแต่ก็อย่างว่านั่นแหละหลักการกับการปฏิบัติของแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันก็ได้จริงไหมท่านสมณะในศาสนาของเรามีทางปฏิบัติเพื่อโมฆะสามประการด้วยกัน มีอะไรบ้างรู้ไหมเชิญท่านพูดสามประการที่ว่านี้ก็คือพักติมาราคะกรมมาราคะและทยานมาราคะโปรดอธิบายให้กระจ่างเถิดอุบาสกพักติมาราคะคือทางแห่งความพักดีเราจะต้องมีความรักเคารพบูชาไว้วางใจในเทพเจ้าอย่างแท้จริงนี่คือ พัติมาราคะแล้วกรรมมาราคะาล่ะกรรมมาราคะคือทางแห่งกรรมเราจะต้องทำการกราบไหว้วิงวอนบวงสวงบูชายันแก่เทพเจ้าเราจะต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัดและชยานมาราคะก็คือทางแห่งความรู้เราจะต้องพิจารณาให้รู้ว่าอาตามันของเรา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบัญญาณของข้าพเจ้าหรือปรมาตมันพักติมาราคะเป็นทางอ้อมแต่ทุกคนสามารถทําได้ก ร, รัมมาราคะเป็นทางสายกลางผู้มีทรัพย์เพียงพอจึงจะได้ครบถ้วนเทยานมาราคะเป็นทางตรงผู้มีปัญญามากจึงจะทําได้แต่ทางทั้งสาม ในที่สุดก็นําไปสู่เท พ, พเจ้าองค์เดียวกันนับว่าศาสนาของเราได้แบ่งแยกวิธีปฏิบัติอันเหมาะสมไว้สําหรับทุกคนทุกชั้นก็แล้วในศาสนาของท่านละ่ะท่านสมณนะท่านแสดงความจงรักภักดีต่อเท พ, พเจ้าองค์ใดเราไม่มีเท พ, พเจ้า หมายความว่าอย่างไงท่านสมณะศาสนาของเราเป็นอเทวาวาตไม่ประกาศความมีอยู่แห่งเทพเจ้าองค์ใดเราไม่ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าองค์ใดถ้าอย่างนั้นศาสนาของท่านก็ปฏิเสธความจริงอันยิ่งใหญ่ละสิอะไรละ่ะที่ว่ายิ่งใหญ่ก็เทพเจ้ายัางไงล่ะท่านปฏิเสธไม่ได้หรอกทําไมถึงปฏิเสธไม่ได้ท่านจะปฏิเสธได้อย่างไง ในเมื่อหลักฐานพยานทั้งหลายได้ชี้ให้เห็นชัดชัดอยู่แล้วชี้ให้เห็นชัดๆัดๆยังไงเทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีใครละ่ะเทพพระเจ้าพระ ม, มันอย่างน้อยที่สุดจั ก, กรวาลที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้านี้เขาเป็นผลงานของพระองค์ถ้าไม่มีองค์พรมมันโลกนี้จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างนะ่ะ ความจริงนั้นพระบรมศาสดาของเราม่ได้ทรงปฏิเสธหรือทรงยอมรับความมีอยู่ของเทพเจ้าพระองค์เพียงแต่นิ่งเฉยซะมิได้ทรงสั่งสอนสาวกเกี่ยวกับเทพเจ้าแต่ไม่ได้ทรงสอนพระสาวกให้จงรักภักดีต่อเทพเจ้าองค์ใดทำไมพระองค์ไม่ทรงสอนเราถึงธรรมะเพราะพระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญหาเรื่องความมีอยู่ของเทพเจ้า ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความบริสุทธิ์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยังไงท่านสมณะสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งยากจนเขยนใจไร้ทรัพย์สมบัติประสบความยากลำบากในการดํารงชีวิตยอย่างยิ่งต่อมามีคนมาบอกเขาว่าในสา ก, กลจั ก, กรวาลนี้มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระนามว่าพรหมมันเป็นผู้สร้างโลก และสรรพสิ่งทั้งปวงชายคนนั้นก็เกิดความรู้ใหม่ขึ้นและเชื่ออย่างสนิทใ จ, จว่าเป็นเช่นนั้นจริงอาตมาอยากจะถามว่าเพียงแต่ความรู้ใหม่และความเชื่อของเขานั้นจะทำให้เขากลับกลายเป็นคนมั่งมีทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาได้หรือไม่ไม่รู้จะตอบอยังไงดีเมื่อไม่รู้จะตอบอยัง ไ, ไอองไ ก้หน้าหนึ่งาม ท, ทีเป็นคิดเส้นกว่าครูใหญ่แล้วที่อุบาสกไม่ตอบแต่อาตมารู้ท่านสมณะรู้อะไรถ้าท่านตอบท่านก็จะต้องตอบว่าตอบว่าอะไรท่านจะต้องตอบว่าความรู้ใหม่และความเชื่อของชายคนนั้นไม่สามารถทําให้เขาร่ำรวยขึ้นมาได้โดยปัจจุบันทันด่วน เพราะฉะนั้นอาจจะมาจึงกล่าวว่าความเชื่อในโลกนี้มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้รู้หรือผู้เชื่ออาตมาจะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งให้ฟังยกมาเลยข้าพเจ้าอยากฟังนักทีเดียวสมมุติว่ามีชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีจิตใจเต็มแน่นไปได้วยความโลภความโกรธความหลง ประกอบกรรมชั่วทางกายทางวาจาเป็นอาจินเป็นคนไม่บริสุทธิ์ต่อมาภายหลังก็เกิดความรู้และความเชื่อขึ้นมาว่าในโลกนี้มีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ชื่อพรมมันเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงอาตามายอยากถามว่าเพียงแต่ความรู้และความเชื่อนั้นจะทําให้เขาบริสุทธิ์ขึ้นได้หรือไม่ไม่ได้ท่านกรรมนักเพราะเหตุนี้ อาตมาจึงพูดว่าความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อและเพราะเหตุนี้เองพระบรมศาสนาของเราจึงไม่ได้ทรงสั่งสอนเรื่องเทพเจ้าไม่ได้สอนให้สาวกของพระองค์มีความจงรักภักดีกราบไหว้วิงวอนต่อเทพเจ้าองค์ใดถ้าอย่างนั้นพระศาสนาของท่านสอนเรื่องอะไรดูก่อนอุบาสก ก่อนจะตอบปัญหาของท่านอาตมาขอถามท่านซสก่อนเรื่องหนึ่งถามมาเลยท่านธรมนะัฐเอาถามมาสิท่านธรมนะัสมมติว่ามีชายคนหนึ่งถูกฆ่าศึกยิงด้วยลูกศร ถูกลูกสอนเสียบอยู่ที่อกนอนเจ็บอยู่ได้รับความทุกขเวทนาแสนสาหัสงานชิ้นแรกที่เขาพึงกระทำคืออะไรท่านผู้เจริญเขาพระเจ้าคิดว่าเขาควรรีบถอนลูกสอนออกจากตัวโดยมีชักช้าแล้วก็รีบรักษาเยียวยาบาดแผลให้หายโดยเร็วคำตอบของท่านถูกต้องตามเหตุการณ์ที่ดีควรจะเป็น ถูกแล้วชายคนนั้นควรจะรีบถอนลูกศร อ, ออกและรักษาบาดแผลในทันทีอาตมายอยากจะสมมุติถามท่านต่อไปอีกว่าในขณะที่ชายคนนั้นถูกลูกศรเสียบอกนอนร้องครวนครางอยู่มีชายสองคนมาพบเข้าคนหนึ่งแนะนำเขาว่าท่านอย่าเพิ่งถอนลูกศร อ, ออกให้มันเสียบอกท่านอยู่อย่างนี้แหละ ท่านควรจะสืบดูให้รู้ท่องแท้ก่อนว่าลูกศร น, นั้นกว้างยาวเท่าไหร่ทําด้วยอะไรใครเป็นคนยิงมายิงมาจากไหนเมื่อไหร่โดยวิธีใดเมื่อทราบแล้วจึงถอนลูกศร อ, ออกได้รักษาบาดแผลภายหลังส่วนชายอีกคนหนึ่งก็แนะนําว่าท่านควรถอนลูกศร อ, ออกทันทีแล้วรีบรักษาพยาบาลบาดแผลอย่าได้ชักช้าเมื่อบาดแผลหายสบายดีแล้ว ถ้าอยากทราบเกี่ยวกับลูกศรและคนยิงสอนก็ควรทําการสืบสวนในภายหลังดูก่อนอุบาสกในบรรดาชายผู้ให้คําแนะนําทั้งสองนี้ท่านเห็นว่าคําแนะนําของใครควรฟังของใครถูกต้องควรปฏิบัติมากกว่ากันคําแนะนําของชายคนที่สองนาทีท่านพูดจริย์บุรุษคนที่สองนั่นแหละ คือพระบรมศาสนาของเราพระบรมศาสนาของเราสอนให้สาวกของพระองค์รีบถอนลูกศร อ, ออกเสียและรีบรักษาบาดแผลอย่างเร่งเร่งอะไรละ่ะคือลูกศรที่พระศาสดาของท่านถอนให้รีบถอนออกนะ่ะลูกศรที่เสียบอกมนุษย์ทุกคนอยู่เวลานี้ก็คือความทุกข์ ร้อนที่เสียบออกมนุษย์คือความทุกข์ทุกข์ด้วยประการต่างๆพระบรมศาสดาของเราจึงทรงสอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์พระองค์ทรงสอนเพียงสี่อย่างนี้เท่านั้นโอ้หน้าสนใจมากท่านผู้เจริญหน่าสนใจมากทีเดียวข้าพระเจ้าอยากจะขอทราบรายละเอียด เกี่ยวกับคำกรอนของพระศาสด า, าของท่านต่อไปแต่บังเอิญวันนี้ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องไปทำดุระสำคัญบางอย่างจึงขอยุติการสนทนาไว้ก่อนวันพรุ่งนี้นิมนท์ท่านมาฉันพัตหารในคารืหารของข้าพเจ้าอีก ไม่ก็จะกินให้ก็าเข็นสิไม่ได้เจะกินไม่ได้เด็ดขาดนะพ่อที่ห่วงพ่อต้องการให้ข้ตายไม่ใช่เจ้าไม่ตายแต่คนอื่นนะสิจะตายก็จะตายถึงงาเกิดอะไรอะไรกันเกิดอะไรขึ้นอ๋อท่านสมณนะ ลูกชายข้าพเจ้ามันงอแงน่ะก็้านพม่ให้้าตแต่เชาเ้าเจ้ากินหรือยังยังเลยข้ยังไม่ได้กินอะไรเลยอาเมื่อเช้าก็บิิธบารมาให้แล้วทําไมไม่กินสละแล้วอุบาสกละ่ะข้าพเจ้ายังไม่ได้กินเหมือนกันหมายความว่ายังไม่ได้กินทั้งสองคนละสิถูกแล้วท่านสมณะทําไมถึงไม่กิน เพื่อเก็บอาหารไว้ให้ท่านท่านกับลูกยอมอดเพื่ออัตมาอย่างนั้นแหละท่านสมณะอดเพื่อข้าพเจ้าและลูกมาแล้วคราวนี้ข้าพเจ้ากับลูกควรอดเพื่อท่านบ้างอย่าอดเลยท่านและลูกกลิ่นสะเทิท่านน่ะแหละควรฉันมากกว่าอย่าห่วงอัตมาเลยอัตมาฉันมาจากบ้านเศรษฐีแล้วท่านอย่าแกล้งพูดหน่อยเลยข้าพเจ้าไม่เชื่อหรอกเป็นความจริง ท่านก็เห็นแล้วว่าอาตมากลับมาสายผิดปกติพระโมสนทนาธรรมกับท่านเสร็จทีวันพรุ่งนี้เขายังมีโมนาตมาให้ฉันที่บ้านเขาอีกขอเชิญท่านกับลูกชายกินให้อิ่มหนำเถอะถ้าเป็นเช่นนั้นจริง <c oughs> เขาพอใจอกับลูกก็จะกินอาหารนี้อ้อาวจะไม่ต้องรองหิวอีกแล้วกินเถอะท่านสมณฯอนุญาตแล้ว ท่นสมณะมีอะไรท่านกัดใจอนยะ่นะ้นท่านอิ่มแล้วเหรอข้าพเจ้ากับลูกอิ่มแล้วรู้สึกสบายขึ้นมากท่านสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าสังเกตเห็นอะไรสำรวจดูตัวข้าพเจ้านี่สิอาตมาไม่รู้หรอกเท้าของข้าพเจ้าเริ่มหายบวมแล้วอืมจริงสินะเท้าของท่านหายบวมไปมากทีเดียว คิดว่าอีกสองวันก็หายเป็นปกติพอจะเดินเหินได้ถ้าเดินได้เมื่อไรข้าเพเจ้ากับลูกจะไปรับทานด้วยตัวเองจะรับทานมาสองส่วนส่วนหนึ่งสำหรับท่านส่วนหนึ่งสำหรับเราเมื่อนั้นแหละท่านไม่ต้องไปบินทบาตให้ลำบากอีกเราจะนำอาหารมาถวายท่านทุกๆวันจนกว่าจะจากกันท่านมีพระคุณต่อเราสองคนมาก ขอให้ข้าพเจ้าสนองคุณท่านบ้างอืมขอบใจมากอุบาสกแต่ท่านไม่ต้องห่วงอัตมาหรอกถึงแม้ท่านจะหายป่วยเดินได้อัตมาก็ต้องไปบินทบาทอยู่ตามเดิมทำไมล่ะท่านสมณะทำไมท่านจะต้องไปบินทบาทเพราะธรรมเนียมของพระภิกษุในพุทธศาสนาต้องเลี้ยงชีพด้วยการบินทบาตการบินทบาต ไม่ใช่ไปรับเอาอาหารจากชาวบ้านอย่างเดียวแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่ของนักบวชอีกด้วยขอให้อาตมาได้ทำหน้าที่ของตนเป็นปกติเถอะท่านสมณะเครือพระเจ้านับถือท่านอย่างยิ่งขอบคุณที่ท่านให้ความนับถือถ้าคนในโลกทุกคนมีน้ำใจอันประเสริฐอย่างท่านและอย่างกับปินเศรษฐีโลกนี้คงจะสงบสุขหน้าอยู่กว่านี้มาก แต่เท่าที่ข้าพเจ้าเห็นมาคนส่วนมากล้วนเห็นแก่ตัวคิดกอบก้ยหาประโยชน์แก่ตนอย่างเดียวไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ที่หมู่บ้านของข้าพเจ้ามีพระมณมหาสารคนหนึ่งเป็นนายบ้านเขามีที่นามากมายมีแม่โคนมเป็นจำนวนร้อยมีข้าทาสบริวารมากมายคอยทํางานและรับใช้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายแต่ถึงกระนั้น เขาก็ยังไม่พ อ, อยังอยากได้มากๆยิ่งขึ้นจริงๆนะท่านสมณะเขาพยายามทุกวิธีทางที่จะใช้อำนาจบังคับขู่เข็นซื้อที่นาของชาวบ้านเมื่อชาวบ้านทนการบีบคั้นไม่ไหวก็จำเป็นต้องขายนาให้เขาในราคาถูกแล้วก็อพยพไปอยู่ที่อื่น ไม่น่าเลยนะก็นั่นนหะสิท่านสมณะในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะอดอยากเช่นนี้แทนที่เขาจะคิดหาทางช่วยเหลือผู้คนที่อดอยากเขากลับฉวยโอกาสนี้หาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดวยวิธีไหนและอุบายศพเอาข้าวแลกเอาที่นาของชาวบ้านชาวบ้านที่อดจะตายอยู่แล้วจําเป็นต้องยอมบางคนไม่มีที่นาถึงกับต้องยอมตัวลงเป็นทาส เพื่อแลกข้าวพ่อประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านรู้ไหมเวลานี้ชาวบ้านของข้าพเจ้าส่วนมากเป็นยังไงเป็นยังไงเลยอุบาสกส่วนมากได้ตกเป็นทาสของมันติยพรามผู้ทารุณจนเกือบหมดสิ้นแล้วถึงขนาดนั้นเชียวหรือผู้ที่ไม่ยอมเป็นทาสก็มีแต่ว่าอะไรเลกยกระใจนะที่ไม่ยอมเป็นทาสก็จาเป็นต้องขายที่นาให้เขาในราคาถูก แล้วก็อพยพหนีไปอยู่ที่อื่นอย่างข้าพเจ้านี่สงสารและเห็นใจกัตเจยนะมาอ๋อคิดอะไรได้อย่างหนึ่งเรื่องอย่างนี้เคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งขณะที่เดินทางจากกรุงสาวัตถีจะไปกรุงราชคฤห์แต่อยู่พักผ่อนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีในบ้านทารุมโหดร้ายเบียดเบียนชาวบ้านเช่นเดียวกับข้าพเจ้นี้ ซึ่งก็ได้ใช้ขู่สโลบายทรมานในบ้านคนนั้นจนกระทั่งหายพยศในที่สุดถ้าจะนํานโยบายอันนั้นมาใช้กับข้ามภูนี้บางทีอาจจะได้ผลและอาจเป็นเหตุนําความสงบสุขมาให้ชาวบ้านแห่งนี้บ้างก็ได้แต่แน่นอนการกระทําเช่นนั้นเป็นการ่วงเวลาการเดินทางไปกรุงพาราณสีและจะทํำยังไงดีตัดสินใจไม่ถูกเลย ท่านสมณะคิดอะไรอยู่อาตมาคิดอะไรอยู่นิดหนึ่งเออหมู่บ้านของท่านชื่ออะไรนะอุบาสก hey, เฮราวาคาร์มท่านถามทําไมบางทีอาตมาอาจจะมีโอกาสผ่านหมู่บ้านนั้นเพราะอาตมากําลังเดินทางไปกรุงพาราณสีแต่ท่านไปในะยะนี้ไม่ได้นะท่านสมณะทําไมละ่ะอุบาสกหมู่บ้านนี้ไกลจากที่นี่มากเดินทางอย่างธรรมดาไม่รีบร้อน จะต้องใช้เวลาถึงสามวันนั่นไม่เป็นปัญหาหรอกแต่เป็นปัญหาที่ว่าในระหว่างทางไม่มีหมู่บ้านผู้คนอยู่เลยต้องมีบ้างแหละไม่มีแน่นอนพวกนั้นพาการอุปยพหนีความอดอยากไปหมดท่านจะมีที่พึ่งพลาอาศัยบิงถบาตเลยท่านจะต้องอดตายแน่ๆถ้าเดินทางไปในขณะนี้เชื่อเข้าไปเจ้าเถอะอย่าไปเลยขอบใจในความหวังดีถ้าอย่างนั้นจะมีทางไหนบ้าง ที่อาตจจมาจะไปถึงหมู่บ้านเพรระว่าขามได้ในระยะนี้เดี๋ยวข้าพระเจ้าขอคิดก่อนคิดให้ดีอุบาสกเชื่อว่าต้องมีทางอ๋อนึกออกแล้วมีทางเดียวเท่านั้นท่านสมณะทางไหนบอกมาเถอะกัจจายนะเมื่อท่านเดินตรงไม่ได้ท่านก็ควรไปทางอ้อมจากที่นี่ท่านจะต้องเดินทางวกขึ้นไปทางทิศเหนือ สู่เมืองอนุโกละก่อนเมืองที่ว่านี้อยู่ห่างจากที่นี่ระยะทางไกลแค่ไหนระยะทางประมาณแปดโย์แล้วจากเมืองอนุโกละจะทำยังไงท่านจะต้องเดินทางไปยังเมืองมหาโกละซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอนุโกละระยะทางแค่ไหนประมาณสองโย์จากเมืองมหาโกระท่านต้องเดินทางไปยังเมืองสัตตะโคทะ อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณสี่โยธแล้วจากเมืองสัตตะโคทะจะต้องเดินทางไปไหนอีกเดินทางมุ่งสู่ทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณสองโยธข้อจะถึงหมู่บ้านเพระวะคามไปทางที่ว่านี้สะดวกดีใช่ไหมถูกแล้วเขาไปเจ้าทราบมาว่าเมืองต่างๆทางทิศเหนือที่บอกมานี้ไม่ได้ประสบความเดือดร้อนแต่อย่างใด ท่านจะไม่ต้องเดือดร้อนกับการบินทบาตเลยแต่ข้าพเจ้าสงสัยท่านสงสัยอะไรท่านจะไปหมู่บ้านนี้ทำไมท่านจะไปหมู่บ้านนี้ทำไมถ้าท่านไปข้าพเจ้าเกรงว่าท่านเกรงอะไรท่านจะอดตายซะเปล่ า, าเพราะอะไร มันติยพราหมนายบ้านเป็นคนมิชาทิติไม่เคารพ บ, บูชาศาสนาองค์ใดทั้งสิน้นไม่เคยเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แกสมณพราหมเป็นคนตรนีทีเหนียวอย่างที่สุดก็เพราะเหตุนี้นะสิอาตมาจึงอยากจะไปสู่หมู่บ้านเพราะวะคามข้าพเจ้างงทำไมไม่เข้าใจเจตนาของท่านนะสิถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจซะด้วยว่าอาตมาจะไปทาให้มันตียพราหม มีสัมมาทิฏฐิและยุติทารุณกรรมทั้งหลายท่านจะไปทำยังไงอ่ะท่านสมณะอาตมาเองก็ยังไม่ทราบแต่กว่าจะเดินทางไปถึงที่นั่นอาตมาคงคิดอุบายที่จะจัดการกับเขาได้ขอให้ความสำเร็จเป็นของท่าน <c oughs> ชุกรูปนั่นไหมเห็นแล้วทา่ p, <dum> านเศรษฐีพอไปสู่รูปนี้ท่านนิมนต์ให้มาฉ<ค>ันพระทหารที่บ้าน ท, ทุกวันเออก็นั่นน่ะสินี่แหละทําไมาขาดสงสัยก็ขานนิมนต์ให้มาฉันที่บ้านทุกวันอยู่แล้วทําไมยังถึงต้องรับบิณฑบาตกลับไปที่พักอีกละ่ะคงเอาไปสะสมไม่กินละมั่งทาง่านเศรษฐีเออ โ, โรบมากไปหน่อยแล้วให้ฉันแล้วยังจะขาบเอาไปเก็บ อ, อีก ทำอย่างนี้ไม่นึกถึงคนอื่นที่เขาหิวโหวยเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดคนอย่างนี้ไม่น่าจะมาเป็นนัก บ, บวชเลยอืมถึงว่าเ <c oughs> ต้คนที่มาเป็นนัก บ, บวชนะ่ะเขาสะระแล้วโลภราภโกรธหลงกันนี่อะไรยังมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทําตัวไม่น่านับถือเออเอาอย่างนี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจ เจ้าสะกดร้อยตามไปดูที่ว่าพระภิกษุรูปนั้นพนักอยู่ที่ไหนมีอะไรอยู่ที่นั่นสืบได้ความยังไงแล้วก็รีบกลับมาบอกให้ข้ารู้โดยเร็วเพื่อความแน่นอนไม่ผิดพลาดกับเจ้าขอพาเพื่อนติดตามไปด้ดวยสักคนหนึ่งเจ้าต้องการเอาใครไปรีบไปบอกได้เลยแต่ระวังนะอย่าให้งานนี้พลรราดไปนันขาดติดตามอย่าให้มันรู้ตัว ขบว่ า, าเจ้าเข้าใจอาถ้าอย่างนั้นก็รีบไปอย่าลืมรีบกลับมารายงานในข่ารู้เร็วๆเรื่องอย่างนี้ท้าทายให้ข้าอยากรู้จะจริงๆถ้าเป็นไปอย่างที่คิดพระภิกษุรูปนี้เอาอาหารไปกักตุนหรือว่าเอาไปขายก็เห็นจะต้องนิมนต์เดิกนับถือกันทีที